สิบสัพิฆาทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัยห้าสิบสาสภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่กระทบได้เกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้น จิตตสมถานรูป <Stars> และกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่กระทบได้เกิดขึ้นจากขายะตนะไรสายายะตนะอาศัยโพธพายะตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อาโปาาตอศัยมหาภูตรูปที่กระทบได้เกิดขึ้น จิตตสมุทฐานรูปและกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยมหาภูต ร, รูปที่กระทบได้เกิดขึ้นอาโปธาติถิหินสีเกลื่อนกระหานอาศัยโผทัพ า, พายตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่มหาภูต ร, รูปสองและอาโปธาติสายมหาภูต ร, รูปหนึ่ง ที่กระทบได้เกิดขึ้นมหาสายมหาภูตรูปสองละถึงจิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบได้และกระทบไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปที่กระทบได้เกิดขึ้นจากขายัตนะรษ า, ายัตนะมาโปธาติหิตถินสีเหลลีนกราหานอาศัยโพธภายัตนะเกิดขึ้นห้าสิบสี่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปที่กระทบไม่ได้อาศัยขันหนึ่งที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาไทยรูปซึ่งกระทบไม่ได้ อาศัยอาโปทาเกิดขึ้นอิถิญจีโก ล, ลิงกะราหานอาศัยอาโปทาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่สภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่กระทบได้อาศัยขันธ์ที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นในปฏิสนที่ขณะ มหาภูตรูปที่กระทบได้อาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งกระทบได้อาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นจากกายตนะโพธพายตนะอาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูป ที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้อาศัยขันหนึ่งที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสองละถึงในปฏิสนธิขณะจิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบได้และกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาเกิดขึ้นจากขายตนะโพธพายตนะเอถินสีเกลืองกราหานอาศัยอาโปธาเกิดขึ้นห้าสิบห้า สภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่กระทบได้อาศัยขันธ์ที่กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่กระทบได้และอาศัยอาโภทาเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งกระทบได้ <departed. |mt|>. อาศัยมหาภูตรูปที่กระทบได้และอาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นจักขายตนะรษายตนะอาศัยโผฏฐายตนะและอาโปธาตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่กระทบไม่ได้อาศัยขันที่กระทบได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ กระตัตรารูปที่กระทบไม่ได้อาศัยขันที่กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยผูทภายตนะและอาโปธาตเกิดขึ้นอิถินสีโกลิยการหารอาศัยผูทภายตนะและอาโปธาตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้ อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่จิตจะสมุทฐานรูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้อาศัยขันธ์ที่กระทบไม่ได <culo> ้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตตารูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้อาศัยขันธ์ที่กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น จิตตสมตุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุ ป, ปาทายรูปซึ่งกระทบได้และกระทบไม่ได้อาศัยโผฏฐพายตัญะและอาโปาทาเกิดขึ้นจากขายตัญะรัศายตาัญะอิถินสีโกลินกราหานอาศัยโผฏฐพายตัญะและอาโปาทาเกิดขึ้นอารมณปัจจัยเป็นต้นห้าสิบหกสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้น เพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามอาัยขันหนึ่งที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสองและถึงในปฏิสนธิขณะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอธิปฏิปฏัปจจัยเป็นต้นห้าสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะอาธิปติปัจจัยพึงเว้นปฏิสนธิและกระตัตารูปเพราะอนันตระปัจจัย เพราะสมนันตระปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยพึงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดเพราะอัญญามัญญปัจจัยมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่กระทบได้เกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปสองสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญปัจจัยได้แก่อาโปธาต์อาศัยมหาภูตรูปที่กระทบได้เกิดขึ้น สภาวธรรมที <f dragging> ่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญะปัจใจได้แก่มหาภูตรูปสองและอาโปธาต์อาศัยมหาภูตารูปหนึ่งที่กระทบได้เกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปสองห้าสิบแปดสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญะปัจใจได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทายวัตถุเก euh ิดขึ้นสภาวะธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญะปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปที่กระทบได้อาศัยอาโปธาตเกิดขึ้น พเพิ่มมหาภูตรูปที่เป็นภายในและภายนอกเหล่านี้เข้าด้วยสภาวะธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่กระทบได้และอาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นเพราะนิสยปัจจัยละถึงเพราะอาวิฟตะปัจใจหนึ่งปัจจญานุโลม สงสังขยาวาระสุทไนห an ah ้าสเกตุปปัจใจมีเก้าวาระอารามณะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมณันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมี9้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมี9้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระมมฆะปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระ นัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมี9้าวาระอนุโลมจบสองปัจจยะปัจจนิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปั จ, จัจหกสิบสภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ อาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะน่าเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปที่กระทบไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองและถึงในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะหาทายวัตุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหาทยวัตุเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูป ซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นอิถิณสีโกลิยกราหานอาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาสัญญาสัตรพรหมกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นมู ห, ะ ท, หะที่สหรคตด้วยิกิกิชาและที่โสหรคตด้วยอุทัจจะ อาศัยขันที่จะหรคตด้วยวิจิกิจจาและที่จะหรคกวด้วยอุทัจะเกิดขึ้นสำหรับบทที่มีสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นมูลพึ่งเพิ่มสองวาระนอกนี้แน่ในคาตนาก็พึ่งเพิ่มสามวาระทราบแล้วพึ่งเพิ่มมหาภูตรูปที่เป็นภายในและภายนอกทั้งหมดณอารมณะปัจใจเป็นต้นหกสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้ เกิดเพิ่มเพราะเนะรัมมะเนปจัยย่อไว้ทั้งหมดเพราะโนวิคตะปจจัย 2. ป, ยปจัจญาปัจญะสอ 2. สังคยาวาระสุทไนัย62บเนเฮโตปัจจัยเมฆ้าวาระนะอารัมมะเนปจัยเมฆ้าวาระนอะธิปฏิปัจจัยเมฆ้าวาระเนอะนันตร์ปจจัยเมฆ้าวาระนสัมณั น, ะนตร์ปจจัยเมฆ้าวาระ นาัญญมัญญะปัจใจมีเก้าวาระนอุปาณิสยปัจใจมีเก้าวาระนาปุเรชาติปัจใจมีเก้าวาระนปัชชาชาตะปัจใจมีเก้าวาระนาอเสวณปัจใจมีเก้าวาระนกรรมปัจใจมีเก้าวาระนวิปากปัจใจมีเก้าวาระนอาหาระปัจใจมีเก้าวาระนอินทรียะปัจใจมีเก้าวาระนาชานะปัจใจมีเก้าวาระ ณมะคะปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระณวิปย anyway. ุตตะปัจจัยมีเก้าวาระโนนติปัจจัยมีเก้าวาระโนวิคัตะปัจจัยมีเก้าวาระปัจญียจบสปัจจญานุโลมปัจญี่ยเหตุทุกขนัยสิบสามณอรมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระ นาอนันตระปัจจัยมีเ้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีเ้าวาระณอนญามัญญาปัจจัยมีเ้าวาระณอุปาณิสยาปัจจัยมีเ้าวาระณปุเรชาตตปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตตปัจจัยมีเก้าวาระณอาศวณปัจจัยมีเ้าวาระนกรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีเ้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระ น่ะวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจใจมีเก้าวาระโนวิคตะปัจใจมีเก้าวาระอนุโลมะปัจญิยะจบสปัจญยะปัจญิยานุโลมนเหตุทุกข์กันไหกสิบสอารามณะปัจจัยกับนเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตตปัจใจมีเก้าวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวะนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจใจมีเก้าวาระและถึงมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมำยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระนัตถปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีก้าวาระปั จ, จน ي ยานุโลมจบสหาชาตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสิบับปติฆาทุกะ สปัจยาวาระหนึ <mister isation> wow. ่งปัจจญานุโลม์หนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจใจหกสิบ้าสภาวธรรมที่กระทบได้ทำสภาวธรรมที่กระทบได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ทำสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทารูป ที่กระทบไม่ได้ทำขันหนึ่งที่กระทบไม่ได้ให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะจิตตสมุทฐาน ร, ร, รูปและกระตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบไม่ได้ทำอาโปธาตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอิถิญสีโกลเลงกะราหานทำอาโปธาตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่กระทบไม่ได้ทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ห้าวาระที่เหลือเหมือนกับปฏิจจวาระอารมณะปัจจัยเป็นต้นหกสิบหกสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ทำสภาวธรรมที่กระทบได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่จักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ทำสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขั 2, นขหนึ่งที่กระทบไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองในปฏิสนธิขณะละถึงขันที่กระทบไม่ได้ธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมทีทกท่กระทบไม่ได้ทำสภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารามณ์ปัจจัยได้แก่ขันสาม ทำขันหนึ่งที่สหรคตรด้วยจกักรวิญญาณและทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามทำขันหนึ่งที่สหรคตรด้วยกายวิญญาณและทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงเพราะอธิปติปัจจัยยอ่อเพราะอาวิภตตปัจใจหนึ่งปัจจญานุโลมสองจังคยาวาระสุทนยัยหกสิบเจ็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 กรรมปัจจัยมีก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี9ก้าวาระพึงทำการนับปั จ, จนายะอย่างนี้นิตยะวาระเหมือนกับปัญยะวาระแม้ในสังสัถาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่อเพราะอาวิคตะปัจจัยมีเพียงหนึ่งวาระพึงเพิ่มเป็นสองวาระ10 ส, สัปติฆาตุกะ 7. ปัญหาวาระ หนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจใจหกสิบแปดสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่กระทบไม่ได้เป็นปัจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปที่กระทบไม่ได้โดยเหตุตปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ เป็นป r, aware, himself, ัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้โดยเหตุตปัจจัยได้แก่เหตุที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปที่กระทบได้โดยเหตุตกปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สามปยุติตะขันและจิตตะสมุทฐานรูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้ โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารามณะปั จ, จัยหกสบเกาสภาวะธรรมที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอารามณะปั จ, จัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุโภพพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุ่ฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปายตนะเป็นปั จ, จัยแก่จักขูวิญญาณ โพธพายะตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันธ์ที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติญาณานาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้น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 เห็นแจ้งหะไทยวัตถุอิตินสีปุริสินสีชีวิตินสีอาโปธาตและโกลเลกราหานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนั์จึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่กระทบไม่ได้ด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแข่วิญญาณัญจายตนะอาขีนัญญายตนะเป็นปัจจัยแขกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ขันธ์ที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถาครมูปะขยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอา ร, รมณปัจจัยธิปติปัจจัยเจสิบสภาวธรรมที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติจจได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุโภพภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอธปิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณนาธิปติและจะาชาตาธิปติอารามณนาธิปติได้แก่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 นิพพานเป็นปัจจัยแค่โคตระภูโวทานมรรคและผลโดยทิปฏิปัจจใจบุคคลยินดีเพลิดเพลินหาไทยวัตถุอิทธิสีปุริสินีชีวิตินีอาโปธาตและโกลิงกราหานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินหาไทยวัตถุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิขีจึงเกิดขึ้นสหชาตาทิปฏิได้แก่ พระทิปปีธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันและจิตตะสมุทฐานรูปที่กระทบไม่ได้โดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้โดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่พระทิปปิธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปที่กระทบได้โดยทิปฏิปัจจัย สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาทิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตะสมุทฐานรูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยอธิปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัย71สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กระทบไม่ได้ซึ่งเพิกเฉยกนเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัตโดยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัย72สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยสมนันตระปัจจัยสหชาติปัจจัยเป็นต้น73 สภาวะธรรมที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบได้โดยสหชาตปัจจัยมี9ก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมี9ก้าวาระอุปนิสยปัจจัยเจสิบสสภาวะธรรมที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอุปนิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออรมาโปันิสย และปกะตูปานิสิยะปะกะตูปานิสิยะได้แก่บุคคลอาศัยอุตุและเสนาสนะแล้วให้ทานละถึงทำลายสง์อุตุและเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละถึงพละสมาบัตโดยอุปนิสิยะปัจจัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอุปนิสิยะปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปานิสิยะ อ น, นันตูปะนิสยาและปะกะตูปะนิสยะปกตูปะนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานเธอทิฏฐิอาศัยศีลสุขทางกายทุกทางกายและโภชนะแล้วให้ทานและถึงทำลายสงศ์ศรัทธาโภชนะเป็นปจัจจัยแก่ศรัทธาพระสมมาบัตโดยอุปนิสยาปัจจัยบูเรชาตะปัจจัยเจสบห้า สภาวะธรรมที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยบุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาติอารมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุและถึงโพธะะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงทมนะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุ่ฟังเสียงด้วยที่ประโสธทาตัรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณ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 และวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งหาไทยวัตถุอิทินีปุริสินีชีวิตินีออาโปธาต์และโรลิงกะาหานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมานะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่กระทบไม่ได้โดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาตะแล am ะวัตถุปุเรชาตะได้แก่จก written written pathway, ักขายาณะและหทัยวัตถุโพธพายาณะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันท์ที่กระทบไม่ได้โดยปุเรชาตะปัจจัยปัจจาชาตะปัจจัยเจ็สิหสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ โดยปัจฉาชาตาปัจัยได้แก่ขันที่กระทบไม่ได้ซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจัยแก่กลในที่เกิดก่อนซึ่งกระทบไม่ได้โดยปัจฉาชาตาปัจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่กระทบไม่ได้ซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจัยแก่กลในที่เกิดก่อนซึ่งกระทบได้โดยปัจฉาชาตาปัจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่กระทบไม่ได้ซึ่งเกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนิจที่เกิดก่อนซึ่งกระทบได้และกระทบไม่ได้โดยปัจฉาชาตะปัจจัยสำหรับปัจจัยทั้งสองพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลอาศัยวณัปปัจจัยเจสเจสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอาศัยวณัปปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กระทบไม่ได้ซึ่งเกิดก่อนก่อนและถึงโวทานเป็นปัจจัยแกม่มาก โดยอาเสวนาปัจจัยกรรมะปัจใจเจ็ดสิบแปสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนาน า, นาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปที่กระทบไม่ได้โดยกรรมะปัจจัยในปฏิสนธิขณะ นานาคณนกะได้แก่เจตนาที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกระตัตรารูปที่กระทบไม่ได้โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสโมฐานรูปที่กระทบได้ โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กระตารูปที่กระทบได้โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่กระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สามปยุติขัน์และจิตตสัมมุทฐานรูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกกะได้แก่เจตนาที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกระตตารูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยกรรมปัจจัยวิปากะปัจจัย79สสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ <mean inya> <t> <Level> โดยวิปากับปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่เป็นวิปากซึ่งกระทบไม่ได้ละถึงมีสามวาระอาหารับปัจจัยแปสิบสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอาหารับปัจจัยได้แก่อาหารที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมประยุติขัน์และจิตตสมุทารูปที่กระทบไม่ได้โดยอาหารับปัจจัยในปฏิสนธิขณะ โกลิงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่กระทบไม่ได้โดยอาหารับปัจจัยพึงเพิ่มสองวาระที่เหลือแม้ในวาระทั้งสองก็พึงเพิ่มปฏิสนธิและโกลิงกราหานไว้ในตอนท้ายด้วยอินทริยปัจจัยเป็นต้นแปสิบเอดสภาวะธรรมที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่จากขุนศีเป็นปัจจัยแก่จากขุวิญ ญ, ญาณ กายนินรีเป็นปัจจัยแก่กายะวิญญาณโดยอินทริย์ปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอินทริย์ปัจจัยมีสามวาระแม้ในวาระทั้งสก็พึงเพิ่มชีวิ ต, ตินสีไว้ในตอนท้ายด้วยสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่จากขุนสีและจากผขวิญ ญ, ญาณ เป็นปัจจัยแก่ขันที่โสหรโคด้วยจักรวิญญาณโดยอินทรียปัจจัยกายยินสีและกายวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันที่โสหรคตด้วยกายวิญญาณโดยอินทรียปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชาณะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรคราปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยปสิบสอง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 ปูเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่กระทบไม่ได้โดยวิบยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิบยุตตะปัจใจหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิบยุตตะปัจจัยปูเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่กระทบไม่ได้ โดยวิบยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนซึ่งกระทบไม่ได้โดยวิิยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ไ hmm. ด <tasked> ้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้โดยวิบยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตชาชาตได้แก่ขันธ์ที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่กระทบได้ โดยวิบยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งกระทบได้โดยวิบยุตตปัจจัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดวยวิบย <WAN> ุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่กระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยวิยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนิทิขเกิดก่อนซึ่งกระทบได้และกระทบไม่ได้โดยวิบุตตปัจจัยอถิปัจจัย8ปดสิบสาสภาวธรรมที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้โดยอธิปัจจัยมีห น, น, นึ่งวาระ วาระที่หนึ่งเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวะธรรมที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่มหาภูตรูปที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่อาภูธาโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมัมมฐานรูปและกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทัยรูป ซึ่งกระทบไม่ได้โดยอธิปั จ, จัยโพธภายตนะเป็นปัจจัยแก่อิถินสีเหลาเลียงกราหารโดยอธิปั จ, จัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุโพธพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนาจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขุ ฟังเสียงด้วยที่ประสงคธาตุรูปลายตนะและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธปลายตนะและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปหนึ่งที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองและอาโพธาต์ โดยอธิปั จ, จัยเหมือนกับปฏิจจวาระเพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมแปสิบสี่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอธิปั จ, จัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันสาม พึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตยพรมปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งหาไทยวัตถุเอถิสีปุริสินีชีวิตินีอาโูธาตและโกลินกราหานดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนาจึงเกิดขึ้นหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน ซึ่งกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยเกลิงกะระหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยรูปปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กระตตารูปที่กระทบไม่ได <Stef> ้โดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบได้โดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอหาระและอินทรียสหชาตะได้แก่ ขันธ์ที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทารูปที่กระทบได้โดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะอาโปธาตเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปที่กระทบได้โดยอธิปัจจัยอโปธาตเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทารูปและกระตัารูปที่เป็นอุปาทายรนะูปซึ่งกระทบได้โดยอธิปัจจัยอโปธาตเป็นปัจจัยแก่จักขายตนะโพธพายตนะโดยอธิปัจจัย ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาสัญญัตพรมปัจช้าชาตะได้แก่ขันธ์ที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแกย่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งกระทบได้โดยอธิปัจจัยเกาลิงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่กระทบได้โดยอธิปัจจัยรูปปัจจิวิตินรี่เป็นปัจจัยแก่กระตารูปที่กระทบได้โดยอธิปัจจัย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 ปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแ่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งกระทบได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยเกาลิงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยรูปปัจฉิวตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตารูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยแปสิบห้าสภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้โดยอธิปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่กระทบไม่ได้และมหาภูตรูป เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่กระทบไม่ได้เหมือนกับปฏิจจวาระพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตรพรมสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สหรคว ด, ด้วยจักกุวิญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันสามละถึงขันสองขันหนึ่งที่สหรคต ด, ด้วยกายวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัย ละถึงขันสองสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทนัยแปดสิบหเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมะณปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีสี่วาระ อนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาติปัจจัยมีสาวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสาวาระอาสิวะณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระวิปปะปัจจัยมีสาวาระ าหาระปจจัยมีสามวาระอินทรียปปจจัยมีห้าวาระชาณะปจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปปจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจัยมีสวาระอาติปัจจัยมี9้าวาระนัติปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตาปจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ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 โดยสหชาตปัจจัยแปสิบปดสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยอุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารัปปัจจัยและอินทรีย์ปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้โดยสหชาติปัจจัย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 สภาวะธรรมที่กระทบได้และที purpose, ่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้โดยสหชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยสหชาตปัจจัยสองปัจจยะปัจจนิยะสองสังขยาวาระสุทนัยเก้าสิบ นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงณอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระณสมันันตระปัจจัยมีเก้าวาระณสหชาตะปัจจัยมีสี่วาระณอัญญะมัญญปัจจัยมีเก้าวาระณนิสียปัจจัยจมีสี่วาระณอุปนิสียปัจจัยมีเก้าวาระณัปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงณสัมบยุตตปัจจัยมีเก้าวาระ นวิปยุตตาปัจใจมีเก้าวาระโนอธิปัจใจมีสี่วาระโนนัติปัจใจมีเก้าวาระโนวิคตะปัจใจมีก้าวาระโนอวิคตะปัจใจมีสี่วาระปัจจ尼ยะจบสปั จ, จญานุโลมปัจจ尼ยะเหตุทุกกไน่เก้าสิบเอ็ดนาอารมณะปัจใจกับเหตุปัจใจมีสามวาระละถึง ณอนันตรปัจจัยมีสามวาระณสมณันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระละถึงณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจญิยะจบ ปัจยะปัจจนิยานุโลมนาเหตุทุกยก้าสิอารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปติปั จ, จัจมีสี่วาระพึงน um ับอนุโลมมาติกาอวิคตะปัจจมีเก้าวาระปัจนจิยานุโลมจบสับปติฆาทุกกะจบ